Thank you.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 ให้ก็ยิ่งได้นะอ่าบุญกุศลที่เกิดจากการที่อ่าแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นเนี่ยนะเราเรียกว่าปฏิทานน้ำใหมปฏิทานน้ำใหมก็คือการอุทิศคุณงามความดีแผ่บุญกุศลได้ให้ยิ่งทำํำเราก็ยิ่งไดนะ้ไม่ต้องกลัวว่าบุญกุศล น, นะของเราจะหมดนะ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 เราก็จะไม่ได้มุ่งหวังว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนะเพราะเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่านะรวยแค่ไหนก็ยังทุกข์นะถ้าหากว่าใจา ย, ยังมีตันหาุปาทานนะมันก็เท่ากับว่ายังมีช่องมีรูที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันเล็ดรอดเข้ามา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 งงเลยนะเพราะคิดไม่ถึงว่าไอ้อรวยกับซวยนี่มันจะใกล้กันได้ยังไงก็เลยถามเป็นยังไงหลวงปู่ทีแรกต้องบอกว่าเออมันเขียนคล้ายๆกันเสแต่แล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยรวยนี่นะนะมันรวยเท่าไหร่ก็ทุกนะมันทุกตั้งแต่ตอนหามาแล้วตอนหาก็ทุกเก็บรักษามันก็ทุก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 อยาให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนดีอย่าให้คนได้ชื่นชมสรรเสริญอันนี้เรียกว่ า, าทำดีแต่มันยังไม่ดีจริงนะัเพราะาใจไม่ได้ดีไปด้วยใจก็ยังมีกิเลสนะกิเลสนี้ก็เชื่อามาะนะนะก็คืออยากให้อยากประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันยังไม่ถูกนะต้องทำให้ใจดีคือว่าทำดีนี่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้นะ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 จกนกระทั่งราชวงศ์สุดท้ายในยราชวงศ์โมกุลเนี่ยนะซึ่งเป็นอิสลามเนี่ยก็ลงเอยกันแบบนี้กันแทบทุกราชาการก็คือถูกลูกยึดอำนาจนะลูกฆ่าพ่อลูกจับพ่อไปขังจนตายในคุกหรือไม่เะนนั้นก็พี่ก็ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะเกือบจะเป็นอย่างนี้ทุกราชาการเลย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 อันตรงนี้แหละนั่นที่มันจะทําให้ชีวิตเนี่ยเข้าถึงความเจริญงอกงามอย่างแท้จริงก็คือว่าไกลจากความทุกข์นะเข้าถึงความสงบเย็นนะนิพพานนี้ก็เรียกเป็นบรมสุขนะมันสุขจริงกว่าอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็เป็นสุขที่ไม่มีใครจะมาแย่งชิงได้ใ้ชาวาพุทธเนี่ยที่เข้าใจธรรมะเนี่ยนะก็จะน้อมจิตไปเพื่อสิ่งนี้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 ร่างกายก็ไม่มีความสุขหสบายแต่ใจท่านเนี่ยนะใจท่านเป็นปกติเพราะว่าท่านเนี่ยได้เห็นธรรมน่ยเป็นพระโสดาบันถึงแม้กายเนี่ยจะถูกคุมขังแต่ใจก็เป็นอิสระก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรนะนางสามเณรดีก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะโดนไฟครอกตายนะมองแบบคนทั่วไปก็ถือว่าตายไม่ดีทั้งคู่นะ ก็คือว่าตายแบบทุกข์ทรมานแต่ที่จริงก็ตายแค่ไม่สวยนะตามมาตรฐานชาวโลกแต่ว่าจิตใจไม่ได้ทุกข์อะไรนางสามมอีิถูกไฟครอกนะแต่ว่ามีธรรมะมีวิชามีวิชาที่จะช่วยรักษาใจแม่ทุกวิชานั้นคืออะไรวิชาสติปัฏฐานเพราะตอนที่ถูกไฟครอกเนี่ยนะถูกแกล้งนะถูกหลังแก่นะนา ม, มาคันธยานี่กลั่นแกล้งเพราะว่ากิจช้าที่ พระเจ้าอุเทนเนี่ยไปไปชอบนางสามาวดีซึ่งเป็นอ克拉มเหสีนามบากันทิยานะอิจชาก็อยากจะกำจัดลวงให้นางสามาวดีไปติดอยู่ในคลังผ้าแล้วก็ถืออกาสเผาเลยให้ตายตายหมูนะนางสามาวดีกับบริษัทบริวารนะในพระตบิโดก็ว่าห้าร้อยห้ารอยแปลว่ามากนะอย่าไปอย่าไปเคร่งครัดกับ